มานัตตะจาริกะมูลายะปฏิกัรนาธิว่าด้วยการชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิมเป็นต้นท่านพระอุทายีนั้นกาลังประพฤติมานัตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย กระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักละกระผมนั้นกำลังประพฤติมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสง์จงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันแล้วให้สโมทานปริวาสเพื่ออาบัติตัวก่อนแล้วให้มานัดหราตรีภิกษุทั้งหลายสง พึงชักภิกษุอุทายีนั้นเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้ละภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนอย่างนี้ละภิกษุทั้งหลายสงพึงให้มาณทหกราตรีอย่างนี้ละส ง, งให้ละ มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้